มันเป็นหน้าเป็นหลังอะไรไหมล่ะมันเพ่นเพนผ่านผ่านเด่นดันดันแล้วมันหนักนกเรานาะที่เข้าม า, มาวม า, มา ง, งมาแล้วแบบไม่สามารถอะไรต่อไหน้วมาแล้วก็อย่างนั้นให้หนักหนักเราเป็นดับหนึ่งแล้วหนักในวงกาหน้าเดียวกันนีก น่าก็ยิงกว้างยิงใหญ่อีกแล้ใครๆก็เหมือนกันที่พูดไม่เลวพูดเจาะจงในพวกรงใดวังนมากเปนเจตนาไม่เจตนาก็ตามมันขวางต้องเป็นขวางมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจตนาโดยถ่ายเดียวสำคัญคือขึ้นอยู่กับความมาเดินสนใจไม่เอาไหนอันหนึ่งอันปล่อยลื่นมาตามในใิสนั่นแล้วมันก็ขวางขวางตัวเอง ควางคนอื่จะไปรู้ได้ไหมันควางตัวเองไม่รู้เพาไม่มีเครื่องรับรู้ใจมีอยู่ไม่นํามาใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์สติมีอยู่ปัญญามีอยู่ไม่คิดไม่ค้นไม่นํามาใช้ไม่หยิบยกขึ้นมาใช้มันก็ไเกิดประโยชน์อะไรเช่นเดียวกับเครื่องรับสมบัติต่างๆมีอยู่ในโลกคนไม่นํามาใช้ประโยชน์จิตนั่งจะเกิดประโยชน์ได้องไร อากาศดินฟ้าอากาศเที่นมีอยู่ตามธรรมชาติของมันมันเอาภาษประสานก้วร่างกายส่วนต่างๆมันเปนนเป็นอย่างเด่นไปอยู่ที่อากาศดีอากาศไม่ดีเราวมันตั้งหน้าต่งตางๆจะเป็นรับทํางานเกี่ยวข้องของมันก็ตามมันเอาภาษาภาสานก็ได้ครับร่างกายส่วนต่างๆของเราเห็นเราว่าพิษอ า, ารรอากาศดินฟ้าอากาศ ความประสานประสานของหนึน่งาอากาศเกี่ยวพลังกายของเราไอสิ่งอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาหยิบยกขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นสติไม่หยิบยกขึ้นมาคิดมันกาไม่มีปัญญาไม่หยิบยกขึ้นมาใช้มันก็ม่มไม่เกิดประโยชน์อะไรววันหนึ่งวันหนึ่งก็ผ่านไปก็ผ่านไปเป็นมือดมืดกับแจ้งทำที่เป็นมาแล้ว มือกับแย้งในวันหน้ากับวันนี้มันต่างกันยังไงกับวันที่ผ่านมาแล้วต่างกันยังไงมันเพราะอันเดียวกันอันเก่านั่นเนี่ย่ามือล้งมือพลิกไปพลิกมาอย่างนั้นธรรมดาธรรมดาอันมืออันเก่านั่นเนี่ย่าก็่ามืออันเก่าล้างมือนเก่าพลิกไปพลิกมาให้เห็นอยู่มันให้มันได้ของแปลกมาจากไหมือกับแย้งนั้นถ้าไม่ทำมันแปกอะไรกับตัวเราเองให้มาฝึกเนี่ย มันนอ น, น, นเฉยเราไม่ฝึกใคไม่ทราบทางพิเหลอยมันดุบมันรอยกันไหนพระพุทธเจ้าเป็นฝึกท่นอบรมท่ทานถาท่ทานถามท่านจับท่านฟันยิ่งเหลิมถึงดุดรอยไปสาวกเหมือนกันโอวาททั้งหมดก็เป็นเครื่องทือทฝันเนี่ยเราไม่หยิบยกขึ้นมาช้าก็เกิดประโยชน์อะไรแท่าที่ผมกล่วาวทั้งนั้น ก็หมดพุงนะโคบุตยังกระทั่งทุกวันนี้จะไม่มีอะไรเท่กําลังวางทามก็ยิ่งลดลงไปเรือ่อยไปมีแต่ใจมีแต่ความบุนเฉยเกิดไปืปยอเลยทําปเยออะไ ร, ร, ะะไรให้เกียรติใครก็ไม่ได้เมื่อเครื่องมือไม่ดีแล้วด้วยกวามในระวังเมื่อไรการเทศทุกวันนี้ประเทศแต่และตั้งอาข่าวพูดแต่แประโยชน์ตอนในตั้งท่าตั้งทาง มันใช่ไม่ยยนุ่นยงูเพื่องยังจะมานอนใจอ ย, ยู่อลกุดมันด้วนเข้ามากุดด้วนเข้ามามีแตอวัตถุอารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกด้วนๆเข้ามาทับถมโจมตีในหัวใจสลอดเวลาเรายังภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่เลยภูมิใจกับสิ่งเหล่านี้อยู่มันก็ผิดอะไรกับโลกเขาหัวใจอันเดียวอันนั้นอารมณ์เนื้ออัน เดียวเหล่านั่นแหละนั่นก็เป็นอารมณ์เก่ามันก็ไม่ได้ตื่นกันมาภูมิใจของเก่าเห็นเป็นของใหม่อยู่เรื่อยพอจะประกอบความภาพเพียนคระกอบเป็นของลำบากลำบนเป็นสิ่งที่ทำให้เข็ดให้หลาไปอย่างนนเวลาเที่ยม น, น้ำคือกิเลสโดยจากอารมณ์ต่างๆซึ่ง มีอยู่ภายในจิตตัวเองออกมาแดงถายังไม่เห็นเบื่ อ, อหนา่ายมีเห็นขีนห้นหนักแล้วจะหาทางพ้นทุกได้ไหมสมาิปัญญาไม่คิดไม่คนนะ้นสมาธิกันนาให้มันทันกันวริยะไม่ทนนะันเลยยวเข้าใจว่าวิริยจะรูดไปเวยนะสตาิปัญญาเท่านั้นเป็นสาคัญในการแก้ไขต่อตอนวิรยะามสมิปัญญามาได้อย่างไเกิดมาอย่างไร มีมาแล้บอกบอกเกิดเฉยๆเกิดจากการควาขวายต่งหามีเวลามากๆมันหากเกกระทึอกันอยู่ในนั้นมันเป็นลักษณะโม่ๆสมมือมีมากเพ้นทานเต้ยนทนมันในหนในหลังงานทางนอกยุ่งมาก้ไม่ได้นะ ผมไม่เห็นต้นองพยายามทำงานเหล่านี้นะทําว่าทําเป็นเครื่องประกอบไปนีนมันเป็นกันวนงวลก็หมูนเวียนในเกี่ยวกับเรื่องงาน น, นนั้นๆมันจะไปหาเก่าในที่ไม่พันเลยนะคนหนึ่งมีงานก็นหนึ่งมีงานวันหนึ่งวันหนึ่งมีงานแล้วมันมีงานด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นของจําเป็นอะไรนะก็ทําให้จําเป็นขึ้นมาเรื่องงานที่จําเป็น กิเลสกับกิจที่มันอยู่ในการจะทอถอนออกมันนั่นออกมาอาเสีย น, น้ำที่มันเสียแ้งนั้ น, น, นกลับเป็นเป็นความยำคาญเลยทางไห น, น, น, นการจมของมันที่เป็นของดีนั้ น, นทางสติฟัง ปัญญาเรานี้ไม่เราก็ไม่ไม่ได้พูดให้เพื่อนฟังสติตปัญญามันเป็นอะไรมันถึงจะบังคับจิตใจได้ใจเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมบังคับตัวเองไม่ได้ฟังให้ดีนะทำํำไมต้องให้สติปัญญาซึ่งเกิดขึ้นทีหลังทีหลังแล้วเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นแับไปนั้นบังคับจิตได้ชําลากจิตได้ บังคับกิเลสได้ฟัากิเลสเล้กขาดลงไปได้สติปัญญาคืออะไรที่ท่านว่าสติปัญญาสติปัญญาหลักธรรมชาติของสติปัญญาเป็นยังไงออกมาจากไหนี่แหละคือกระแสข อ, ของกิจความรู้ของกิจที่ออกออกไปถ้าออกไปเป็นฝ่ายกิเลสมันก็ส่งเด่นๆด้า น, านปๆายนี่เป็นฝ่ายกิเลสตั้งที่มันเป็ น, นอยูนในึงหัวใจเรา คิดปไปรู้ไปนั่งรู้ไ ป, ปนี่ไ ป, ป, ไปอืมทีท่คิเด็ดมันผลักดันออกไปความรู้เันนียถ้าเป็นฝ่ายทำแยกเป็นฝาดีความรู้นี้เป็นสติกระแสของจิตที่ออกไปนี่กลับเป็นสติสองเข้ามาหาตัวเองกลับเป็นสติวกกลับเป็นปัญญาเข้ามารักษาตัวเองทําลายสิ่งที่เกี่ยวข้งของกับตัวเองนี่แหละคือสติปัญญา อาการของจิตออกความลูุ้่งจินตจะพูดอย่างไฟฉายไปอย่างนี้ mm hmm. ออกไปน่หมดนะ อ, ออกที่ย้อนเข้ามานี่อันนั้นเอาแสงสว่างย้อนเข้ามานี่ปียาที่ส่งออกไปย้อนเข้ามานั้นน่ะมันเป็นสมมตุติออกไปจากษจิตป็นอาการอันนี้จึงมีเกิดได้ดับได้ด้วยเหตุนี้สติปัญญาจึงเป็นสมมุติ เกิได้ดับได้แต่เวลาฉายก็มาหาตัวเองแล้วก็เป็นสติอรู้ตัวเองถ้ากระแสะนี้ไม่ย้อนกลับมามันก็ไม่รู้ตัวเองรักษาตัวเองก็ไม่ได้ปัญญาใช่ไปทางนอกก็เป็นเรื่องของจิตเหรนํามาไปใชเ้เสียไม่ใช่เรื่องของธรรมคนเอารู้สึกตัวเพราะกร ะ, สะแสหยุดนั้นย้อนกลับมาเข้ามาดูตัวเองแล้วทารักแก้ไขจริงนั่นนี่ก็คือ กระแสของจิตนั้นย้อนเขา้ า, ามาชำะล้างตัวเองทังเรียกว่สตินนี้คือปัญญาในหลักธรรมชาติของการปฏิบัติรู้ขึ้นมาอย่างนั้นเป็นขึ้นมาอย่างนั้นโดยหลักธรรมชาติของสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้นเราะงั้นเราให้ชื่อว่าสติให้ชื่อว่าปัญญาอาการที่ส่งไปแล้วกลับเข้ามานี่มันเป็นอากาศออกมาจา ก, กจิตน สิ่งเหล่านี้ดับไปความ <New Man. S 2> รู้นั้นไม่ดับแต่รักษาตัวเองไม่ได้เมื่อยังไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วไม่จําเป็นต้องรับต้องรักษานั่นเลยสำคัญสมมติแล้วจิตที่เป็นจิตธรรมดาของเราเราท่านๆนี้มันมีสมมุติอันแทรกอันนี้นั่นได้แก่กิเลสพยาธิจึงรักษาตัวไม่ได้ต้องอาศัยสมมุติอันนี้อ กระแสของจิตย้อนเข้ามาย้อนเข้ามานี่น่ะท่านว่าสติสติขึ้นมาพยายามให้ให้ความรู้นี้ย้อนเข้ามาอยู่กับตัวสมมุอถึงว่าให้สติอยู่กับตัวน่ะกระหมากรากระแสของความรู้เนี่ยอยู่กับตัวย้ายส่งไปนอกโน้นก็เป็นสติขึ้นมาแล้วเวลาเอากระแสของจิตนี้ที่ย้อนเข้ามานี่บกเวียนไปมานั่นเรียกว่าปัญญาคือบกเวียนอยู่กับจิตนึง ต, ตรวตาพาร์ทีกินเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นและเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นดีดีชั่วประการใดนี่เรียว่าวกเยี่ยนคือไข่ครวนแต่ของกินนี้แหละมาวกเยียนตัวเองอันนี้กว่าปัญญาแลว้วะเหยียดเข้าไปแล้วเอยียดเข้าไปช่ำชองเข้าไปชานานเข้าไปคล่องแคล่วลงไหวเข้าไปเรื่อย จนสามารถชำระสิ่งที่ลไในจใจหมดแล้วอันนี้ก็มดตาระพูนเลยนะถึงยันนาออกมาใชา้ก็เป็นการบปเวลาทา ไ, ไมเพราะเป็นสมมุติหมนยว่าทุกสมถ ท, ที่รินมากเป็นสมมติเป็นอากาศมากหมายเป็นอะไรถ้าหมายถึงสติปัญญานี้ด้วยจะหมายยังไร นั่นน่ะนั่นคอเลยนะชัวงต้นเลแจะแอมได้เลยนะ น, น, ยยนะนั่นตีนงคอยนันอาจมีอะไรอยู่ภายในดูของนี้เวลาว่างไปฉายนั้นอยู่ภายในเป็นมาประมาณสักเดือนกว่าเดือนนีนะจะขอรู้อยู่ขอให้การอะไรดูดิ4ี่ี ส, สกเก้า ลองมถามที่สติปัญญาอะไรเกิดใหม่อะไรคือคู่สุนเดานะเพราะไม่รู้ฐานที่เกิดของสติปัญญามีหลักฐานที่เกิดของสติปัญญาเกิดอย่างมันเป็นในักธรรมชาติมันจึงจะรู้เด่นชัดมาเกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติมันจึงจะรู้รได้ชัดสติควาหรือึกได้ ยาความรอรู้ในกองสังขานกองสั้งขานก็อะไรกรองสังขานนอกกองสั้งขานใหม่มัรู้ไปหมดความรู้นี้นำไปใชามอะไรมันเป็นเท้านั้นใช้อย่างหนึ่งเรียบเลยใช้อย่างหนึ่ยยงเรียบเลยให้รู้จับให้รู้ตัวเองก็ ค, คือสติอยู่กับตัวคืออยู่กับผู้รู้นั้นรู้นี้ให้อย่าส่งไปให้รู้อยู่กับนี้ คือจะเากระแสนี้ออกไปไม่ให้ปล่อยกระแสนี้ออกไปเพราะกระแสนี้มันถูกผลักดันออกตลอดนี่เป็นเรื่องของกิเลสไม่ให้ออกมาอยู่ที่ตรงนี้กระแสของความรู้ส่วนความรู้นั้นมีอยู่แล้วเปนตั้งเดิมกระแสส่งพระธรรมเรื่องของโลกมันไม่ใมันออกมันรู้ตัวเองพอสติเมื่อรู้ติดต่อกับแรงงานถ้ากรบาสัมผัสชันยะที่ว่าเนี่ยอามันโบกเบียน รอบตัวรอบสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับตัวนันเรียกว่าปัญญาฝึกท่านสองอย่างฝึกทั้งการไม่รู้อยู่กับตัวฝึกทั้งการให้กก ใ, หให้รอบตัวเรียกว่าฝึกทั้งสติฝึกทั้งปัญญาให้คล่องแคล่วเรียนใจสิงนี้จึงมีปรากฏทั้งออกทั้งเข้า แล้วก็ทั้งเกิดทั้งดับอยู่สติปัญญามาอย่างนี้เองต้องาภาคปฏิบัติอะไรจะะอยาดยิ่งกว่าจิตกับกิเลสในสามแดนโลกะทานนี่ไม่มองเห็นอะไรละอไม่ได้มองเห็นอะไรว่าเป็นค่าศึก ต, ตอ่อกันยิ่ ง, งกว่ากิเลสเป็นค่าสึก ต, ตอ่อใจ บของทําต้องฝ่ายดีที่การเกิดขึ้นภายในเพื่อรักขอกตัวเองแก้ไขต่อตอนตัวเองมันก็ยากที่เหลือมันแทรกมันจะทุกข์่ทนทุกข์คนมันไม่มีช่องว่านั่นเลยมันจะไม่ทันมาแรงมันเป็นเรื่องที่เหลียอไปเสียเจ้าของก็ไม่รู้ต้องสติปัญญาให้ทัน ความรู้แบบที่ว่าไม่ทันให้มันเอาไปใช้สมมุกความรู้มีมากมีน้อยอะไรนี่แต่มันใช้ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นเจ้าของทั้งวันทั้งคืนไม่ได้เดินจังกลมของมันเข้าไปเป็นเจ้าของได้ไม่ต้องพูดถึงว่ามันฝังจงอย่งนั้นมันเป็นเจ้าของอาการทั้งมันที่มันแสดงออกจากความฝังจงคือวิชามันก็เป็นเจ้าของมันครอบอยู่หมดเดินจังกรมนั่งสมาธิภาวนาเราไม่รู้ไม่ทันมันนะ าความเพี่ยนของต่างคนเขาทําอยู่ทำอยู่แต่ผลทําไมมันปลากฎมันจะปรากฏอะไรความเปลี่ยนเป็นเรื่องความเปลี่ยนแทรกของกิเลสแทร้ที่แทกของกิเลสต้งนั้นมันไั่ใช่ความเปลี่ยนของทําตามเจตนาของเราที่คิดเอาไว้แล้วก็ล่มไปแล้วพอคิดขึ้นมาทำความเพี่ยนพอคิดขึ้นขนาดนั้นก็ล่มไปแล้วแล้วกิเลสก็ทําหน้าที่เสียสิ่งแล้วเราก็เข้าใจว่าเราทําหน้าที่ทําความเพียนแต่น <femme> like like ั so ug, ้นชมตัวนี้ชมมันได้เรื่องอะไร นั่นละเอียดหมละเอียดละเอียดไห ม, หไหมถ้าอยากเข้าใจคํานี้และจาคํานี้ไว้ดีแล้วก็ตั้งเงินตัวเองไปคํานี้จะโผล่ขึ้นมาใจผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ต้องสงสัยเมื่อถึงขั้นจะโผล้วต้องโผล่ให้รู้ให้เห็นแล้วทีนี้ขั้นละเอียดเรียบลาาไปแล้วอะไรเข้ามาเป็นเจ้าของอะไรเข้ามาแทรกที่ไม่มีใหม่เอาอะไรมาแทรกมันไม่ไม่มีเล้วมันก็ยิ่งรู้ได้ชัดเลย ก็มีแต่เรื่องจิตที่บริสุทธิ์ร้อนๆครอบโลกธาตุทานจะพูดถึงโลกธาตุกิเลสแม้ตัวเดียวก็เข้ามาแทรกไม่ไมันตายเหมือนเราทำไมจะไม่รู้เรื่องของมันเนี่จะเอามันดูมันมันได้เรื่องอะไรเจ้ากิเลสดูกิเลสความเพียรมันก็เป็นกิเลสเสียเราจะไปดูกิเลสได้ยังไงเพราะเมื่อความเพียรมันก็เป็นกิเลสแล้วเราจะไปดูกิเลสเห็นกิเลสแก้กิเลสได้ไงกิเลสแก้กิเลสมีหรือไม่เคยมี เราจะเความฉลาดด้วยความรู้เงาต่อตัวอย้างนี้จะเอาความฉลาดก็ต้องเอาความฉลาดด้วยความฉลาดใช่เอาความเพียนด้วยความเพียนเอาอาตธรรมด้วยการประกอบความเพี้ยนโดยความเป็นธรรมอย่าให้เิดเพราว่าเป็นเจ้าของในขนาดที่ประกอบความเพี้ยนนั่นสิมันถึงจะรู้เรื่องการย่างนักข่าระชุผมก็ไม่ค่อยสะดวกในธาตุขันนะงั้เป็นในลึก ผู้จักยากวนท่านนั้นช่วงอันอื่นนั้นดีระยะนี้รู้สึกว่าดีกว่าแต่ก่อนก่อนที่ผ่านมาดูมากแต่ตรงนั่นสิตรงที่ว่าลูกหังใจนั้นมันมีอะไรอะไรผู้จักยากแล้วก็เหน่วยง่ายด้วยแม่รมันจะเป็นดูเฉยๆไม่กระเป็ น, ปน ไ, มไม่ขึ้นนะกับร่างไม่ได้ขึ้นกับร่างกายที่ว่า สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เห็นมันจะทันอะไรนักนะจุดที่มันไม่สมบูรณ์มันมีอยในเห ม, มืนฝังอยู่ในส่วนที่ในร่างกายที่ระ่าดสมบูรณ์นั่นแหละส่วนที่มันมีการมีในลาบากพากันตั้งอกตั้งใจพ่อของเราก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้นั้นพ่อที่จะถูกลากเราให้ทุ่งแดนแห่งความพ้นทุกมีเท่านั้น ขอใฟังใจให้เลือกกับพระพุทธเจ้าฟังให้แน่นพระพุทธเจ้าก็าทำประสงค์นอกนั้นมีแต่ข้าศึกทั้งมวลรอบด้านนีเกาะนี้ทต่นั้นรวมแล้วเป็นอันเดียวพุทธธรรมสงฆ์ แ, แยกอกไปนั้นเพื่อตามสมมติมั น, มนเป็นหลักใจทเ<ม>พระพระธเจ้าท่าทรงทำอย่างนั้นนั้นนี่นก็เป็นข้อติอี ถ้าสงฆ์ชาวโลกแต่และองค์ท่านทรงทำอย่างนั้นท่านทำอย่างนั้น น, นั้นนะเป็นคติด้วยเป็นเครื่องยึดตามแบบน้าการนะั้นเพราะจิตนี่มันยังรวมตัวไม่ได้เป็นอันเดียวไม่ได้พึ่งตัวเองยังไม่ได้มันเป็นอาการหมดทั้งตัวของมันเพราะฉะนั้นจริงต้องอาศัยอันนี้เข้าเป็นเครื่องต้านทานกันหรือหรือเป็นเกาะ เป็นดอนก็ยืดเมื่อจิตเป็นตัวของตัวเต็มที่แล้วคําว่าพุทธธรรมสงฆ์ก็รวมอยู่ในอ น, นั้นหมดแล้วว่าหมดปัญหาไปจะว่าเพิ่งตัวยังได้แล้วก็ได้แล้วก็ถูกแล้ว <Yeah. S 1> พึ่องอะไรไม่พึ่องอะไรมันก็สงสัยไปพูดไปคิดจะเสียเวลาไมเมื่อถึงขั้นไม่พูดไม่คิดแล้วไม่พูดไม่คิดให้เสียเวลาแต่ถึงขั้นที่ควรจะ จะคิดจะพูดจะทําให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ยึดพระพุทธเจ้ายึดให้ลึกฝังให้ลึกอย่างน้อยเป็นผู้ ข, ขี่ยึดมากกว่านั้นอันนั้นเป็นหลักใหญ่ขี้ไม่มีกวามหมาให้เดินตามพุทธธรรมส่งนั้นนั่นหลักจะมีทางห่างเืินจากมานที่มันขัวพันอยู่ตอเวลาจะได้จางไปจางไปอะไรที่เป็นห น, <c oughs> น่นนอเป็ไหน่อน้อยกว่าดี นะโอ๊ะปกปิดเละ